วันนี้เป็นวันเป็นวันแรมเป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเดือนเกเป็นวันดับอวามกิงเป็นวันอุโบสถนะวันนี้เป็นวันอุโบสถแต่เมื่อกี้ได้ประกาศศี่ห้าเจตนาออเอาเจตนาเอาท่านใดผู้ใดจะ เอาศีลอุโบสถศีลแปดเพิ่มไปอีกสามเมื่อกี้ประกาศสมาทานห้าเพิ่มไปอีกสามก็ไม่มีอะไรมากหรอกไม่ได้ยุ่งยากอะไรสามที่เพิ่มนี่เกี่ยวกับเป็นการควบคุมควบคุมราคะ ความค่้ความกำหนัดในความสวยความงามในความอ่อนนุ่มสุขสบายและก็ควบคุมในการหลงลืมในรสชาติอาหารเพราะฉะนั้นเพิ่มถ้าเพิ่มสมข้อก็เจตนางดเว้นไม่บริโภคอาหารในเวลาวิการ หลังจากเที่ยงแล้วไปไม่กืนอาหารให้ล่วงไหลลําคอลงไปมีข้อหนึ่งแล้วก็อีกสองข้อรวมมาลารวมนัชคีมาล า, ออออ า, ลาสองข้อเข้าด้วยกันไม่ส่งจิตใจให้เพลิดเพลินไปกับการเล่น ฟ้อนรำขับร้องประโคมด น, นตรีต่างๆนี่ท่านบอกว่ า, วาไม่ดูฟ้อนรำขับร้องไม่ฟังการร้องรำทำเพลงนี่แล้วก็ไม่ประดับประดาร่างกาย เ, เพื่อความสวยงามด้วยเครื่องรูปไร้ เ, เครื่องทาเครื่องย้อมเพราะฉะนั้นคนโบราณสมัยคั้งพุทธเจ้าท่า วันโบสท่าสมทานโบสถศีลเนี่ยพวกผู้หญิงจะสยายผมคืออาบน้ำหวีผมสยายธรรมดาไม่ตบไม่แต่งเรียวกว่าปล่อยธรรมชาตินี่เรียวกว่ารวมรวมรวมสองอย่างเข้าเป็นเป็นอย่างเดียวกัน รวมการประดับประดาร่างกายเพื่อความสวยงามรวมการดูการฟังเพื่อความเพลิดเพลินและก็ข้อที่สามไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่งามวิจิตอ่อนนุ่มภายในยัดโดยนุ่นหรือสำลีสามข้อนี่เพิ่มเข้าไปก็เป็นศีลแปดเป็นการ สังวรรักษารวมแล้วก็เหมือนกันละ่ะกับสินห้าสินห้าก็สังวรรักษากายวาจารควอบคุมจิตใจไม่ให้ยินดียินไล่กับความสุขในกา ม, มคุณสุขเพราะเห็นรูปสุขเพราะฟังเสียงสุขเพราะได้กินหอมหวนเพราะริมรส เพราะความอ่อนความนุ่มนเนี่เป็นการเป็นการสํารวมใจถ้าไม่สํารวมใจมันมันจะมีความยินดีมีความคุ้นคิดยึดติดในความสวยความงามความอ่อนความนุ่มนั่ น, น, นติดในรสในชาติ อาหารเพราะฉะนั้นจึงบริโภคหรือว่ารับทานกันไม่มีเวลาเวลารับทานกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเรื่องรถอาหารดึกดืก่นแต่ก่อนหลวงตานั่งรถตอนเป็นเนน <c oughs> นั่งรถจากเมืองกุดอนลงไปกรุงเทพจะไปนุ่นพังงาภูเก็ตไปดึกๆที่สามที่สาม ตีสามตีสี่ยังมีคนนั่งกินอาหารอยู่ก็เกิดความแปลกใจเพราะเราอยู่บ้านนอกเคยกินวันละสามหนเท่านั้นเชา้าบ่ายแรกก็เย็นไม่เคยกินดึกดื่นจึงเกิดกันความแปลกใจอเพราะว่าดึกดื่นแล้วก็ยังกินข้าวกินอาหารกันอยู่ นี่คือความความไม่มีเวล่ำเวลาเนี่ยความหลงไหลในรถในชาติจิ้นกันอยู่เว้นตั้งแต่หลับข้อสัอการสังวร เ, เพื่อความสงบเพื่อความไม่เป็นภาละอะไรมากมายพทธเจ้าจึงกำหนดว่าจากจากเช้าไปถึงเที่ยงความจิมจิงก็ให้ให้รับทานหรือให้ฉัน ขั้งเดียวท่านั้นแหละแต่ว่าให้เวลาไววว่าจากเช้าไปถึงเที่ยงถ้าเลยเที่ยงแล้วก็ไม่ต้องให้ร่วงไหลลำคอลงไปแต่เราก็รับทานกันหลายหนเดี๋ยวคิดถึงรสชาติอันนั้นรสชาติอันนี้อาหารอันนั้นอันนี้ก็เลยเป็นการวุ่นวายอยู่กับเรื่องรสชาติของอาหารนี่การสังวรการสำรวม ทางกายทางวาจ า, าก็เป็นการสกัดกั้นในส่วนยับยบที่ละเอียดเข้าไปสกัดกั้นทางจิตใจไม่ให้มันความอยากความหลงละเลงเกิดขึ้นในใจิตใจเนี่ยีว่า เ, า, เาเพิ่มไปถ้าเอาศีล8ดศีลอุโบสถความจริงละเอียด เข้ามาตามสิกขาบทที่สมาทานนับตั้งแต่ปานาธินากามมโมสาสุลาวิกรพนั จ, จคีมาลาอุจจาแปดข้อแต่หลวงปู่ชาท่านเวลาท่านให้ประกาศศีลท่านจะว่าเป็นข้อข้อไปหลวงปู่ชาท่านจะประกาศไปถึงข้ อ, อมาลามันก็ครบแปด ก็ทิ้งข้ออุจจาสยชนะเรียกว่าการนั่งนอนที่นั่งที่นอนอ่อนน้มนี่ไม่มีเ <c oughs> พราะท่านให้ไปตามข้อตามลำดับแต่ครูบาอาจารย์หรือพวกเราสมาทานกันท่านรวมเอาสองข้อเป็นข้อเดียวมันจึงครอบคุมไปถึงอุจจา ไซยานหะคือไม่นั่งนอนที่นั่งที่นอนอันสวยงามวิจิตรพิสดารอ่อนนุ่มภายใน ย, ยัดด้วยนุ่นหรือสำลีทีนี้ถ้าว่ายัดด้วยนุ่นหรือสำลีท่าเครื่องนอนเครื่องนั่งที่อ่อนนุ่มครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านก็ให้ท่านก็บอกสอนญาติโยมก็เอาใบก้าเนี่ยใบต้นก้าที่เขาตัดแล้ว เอาไปตากแดดให้แห้งก็มาทำเป็นที่นั่งเพื่อให้มันมีความอ่อนบ้างสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่อายุมากแล้วการกระทบของก้นที่นั่งถ้ามันของแข็งแขงมันก็ทำให้เกิดเวทนาความเก็บความปวดมากท่านจึงแนะนําำให้เอา ใบต้นก้าหรือเอาใบตองกล้วยที่มันแห้งมาทำเป็นที่นั่งทุกวันนี้เขามีความเจริญวิกฤตพิสดารไปเขาใช้พวกใย ห, หรือยางพาราอะไรอย่างนี้มันก็นิ่มก็ใช้ได้ท่านจึงบอกไว้แต่เพียงแค่ว่าภายในยัดด้วยนุ่นนุ่นีน่นมาจากต้นนุ่น มาจากต้นยิ้วสำลีมาจากฝ้าย ท, ที่นี่ฝ้ายถ้าทำเป็นผ้าเอาเศษผ้ามายัดมาทำเป็นที่นั่งก็ไม่เป็นไรก็นั่งได้ <c oughs> ความจริงว่าศีลแปดถ้าเป็นปรมา ธ, ธรรมท่านก็ให้รักษาว่า ท่านเจ้าคุณอุบาลีท่านเคยเทศในปรมา ธ, ธรรมไว้ท่านบอกว่าศีลแปดนั่นรักษาศีลแปดคือรักษาตาตาสองข้างนี่จกักรคูตาของเรามีสองข้างรักษาหูหูก็มีสองช่องสองข้างรักษาจมูกจมูกก็มีสองช่องนี่มันมันก็เป็นหกนั้น ตาสองหูสอ ง, สองเป็นสี่จมูกสองซองก็เป็นหกที่นี่ใจนี่ใจก็เป็นเจ็ดที่นี่รวมกายรวมกายทั้งหมดก็เป็นแปดนี่ท่านเจ้าคุณวาลีท่านว่ารักษาศีลแปดรักษาตา สองช่องหูสองช่องจมูกสองช่องรักษากายรักษาใจก็เป็นรักษาเหตุแปดประการรวมแล้วก็เรียกว่าเป็นการสังวรกายกับใจนี่เอาอะไรสังวรถึเอาสติเอาสติควบคุมสตินี่ก็สร้างขึ้นมาจากใจนี่แหล ะ, อะเอาออกมาจากใจ เอามาควบคุมกายวาจาแล้วก็ควบคุมใจสร้างสติให้สมบูรณ์สติกายเป็นสัมปชัญญะเป็นความรู้ศึกตัวแล้วก็ละเอียดเข้าไปเป็นปัญญาควบคุมควบคุมใจอย่างเดียวบ่ท่านเชงว่าสมาธิเมื่อมันรวมสติสมาธิปัญญาเป็นสมาธิควบคุมใจเพ่ง เพ่งใจหรือว่าคอยดูใจควบคุมใจมันจะขยับขยื่นเพราะมหาเหตุมันเกิดจากใจเอาอะไรควบคุมเอาสติที่ต่อเนื่องเป็นสมาธิมั่นคงปัญญาสอนใจให้ลูกคอยสอนใจมันมันมีความอยากในอะไรเกิดขึ้น แยกแยะเหตุผลนี่ด้วยความมีสติสมาธิและปัญญาอันนี้ท่านจึงว่าธรรมะคือสติสมาธิปัญญาเป็นธรรมคุ้มครองใจคุ้มครองใจไม่ให้ข้าศึกคือกิเลสความอยากความโลภโกรธหลงเรียกว่ากิเลสก็เกิดจากใจนี่แหละอาศัยใจเป็นที่เกิดเนี่ยมันมีอาการนี่ภาวนา ภาวนาดูใจควบคุมใจคือควบคุมควบคุมโจรควบคุมขโมยหรือว่าฆ่าศึกคือกิเลสมันจะเกิดขึ้นความโลภความโลภคือความอยากไม่มีสติปัญญาควบคุมเป็นความอยากไม่มีประมาณไม่มีเหตุผลก็จะทําให้เกิดความร้อนเกิดความก่อเพื่มของ สัญญาสังขารแล้วมันก็ไประกระทบกับใจคือผู้รู้ผู้รู้ก็จะคอยเป็นทุกข์เพราะได้ได้สัมผัสกับกระแสกระแสของอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เราร้อนเหมือนกันกับกระแสไฟเราก่อไฟไว้ในเตา ไฟลุกขึ้นกระแสของไฟนี่มันร้อนถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆมันก็สัมผัสกับความร้อนก็เป็นทุกขเวทนาถ้าเราถอยออกให้ห่างจากรัศมีของไฟก็ไม่ได้รับความร้อนจากจากไฟทั้งๆที่ตัวของเราไม่ใช่ไฟไฟก็คือไฟความร้อนก็คือความร้อน แต่เมื่อตัวของเราไปอยู่ในรัศมีในกระแสของความร้อนมันก็รู้สึกร้อนเหมือนกันถ้าเข้าไปในไฟเลยไฟก็เผาไหม้ไม่ได้เรียกว่าคนเป็นคนตายหรือว่าเอาของสดของแห้งใส่เข้าไปไฟนี่ถ้ามันความร้อนมันสูงเต็มที่มันเผาไหม้หมด ไม่ว่าแต่วัตถุที่ไม่เป็นเชื่อไฟเส้นเหล็กอทองแดงทองเหลืองอะไรเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในรัศมีของไฟที่มันมีความร้อนสูงเนี่ยมันละลายไปหมดเรียกว่ามันเผาไม้เหล็ก็จนละลายเป็นน้ำไปได้แม้แต่ก้อนหินเนี่ยก้อนหินก้อนหินลูกลงังหินพวกนี้ถ้าเข้าไปในรัทธ น, น หินก็นละลายเป็นน้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันมีธาตุเหล็กมันมีแร่เหล็กอยู่ในนั่นนี่คือหน้าที่ของความร้อนอคือไฟหน้าที่ความร้อนคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะไม่มีธรรมคุ้มครองคือไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญารอบรู้ ไม่ไม่มีสติสมาธิปัญญาเป็นน้ำดับความร้อนความร้อนมันก็สูงสูงขึ้นสูงขึ้นร้อนเพราะราคะไฟคือราคะอย่างว่าราคะคีนาเหมือนภาสวดอธิตะปริย า, าสรเมื่อคืนนี่ราคาคีนาไฟคือราคะร้อนร้อนเพราะราคา ความไข้ความกำหนัดความหลงในรูปเสียงกินรสโผฏฐะเนี่ยวลาราตคินาโทสะคินาร้อนร้อนเพราะโกรธอ่าถ้าความโกรธนี่มันสูงจีดขึ้นอ่าเส้นเลือดในสมองแตกได้อ่าเนี่ยเพราะความร้อนของความโกรธเองว่าโทสะคินาโมหคินาความหลงเนี่ยถ้ามันครอบจิตแล้วมันมืดมันเป็นความร้อนความ ทุกขทรมานเหมือนกันที่นี่ร้อนใครเหรเป็นผู้ร้อนเป็นผู้ร้อนก็นนคือใจทั้งทั้งที่ใจไม่ได้เป็นผู้ร้อนใจเป็นธรรมชาติรู้เฉยเฉยรู้เหมือนกับไม่มีอะไรธรรมชาติใจเหมือนกับเหมือนกันกับคนหูหนวกตาบอดนั่นแหละธรรมชาติของใจมันรู้รู้เฉยเฉยอย่างนั้น แต่รู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่มันเพราะสังขารเพราะสัญญาเพราะขันห้ามันทาหน้าที่นี่แหละจึงว่าเมื่อความโกรธความโลภความหลงเกิดขึ้นในใจที่อาศัยใจใจจึงได้รับความกระเทือนจึงว่าเป็นใจร้อนใจไม่สบายที่พวกเราว่าใจร้อนใจไม่สบายความกิ่งมันไม่สบายเพราะ ความโลภโกรหลงคืออาสาวะที่มันอาศัยเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นเอาศีลมาเป็นเครื่องดับเอาสมาธิมาเป็นเครื่องดับความร้อนเอาปัญญามาเป็นเครื่องดับความร้อนอศีลสมาธิปัญญาเป็นสมมติเหมือนกันสัญญาสังขารวิญญาณความรับรู้รับทราบทางอะไ สี่แอายตนาแปดเป็นสมมติสิ่งเรานี่ล้วนจะเป็นสมมุติเอาสมมุตินี่แหละแก้สมมุติเพื่อให้พ้นจากสมมุติไปเป็นวิมุตติวิมุตติคือความพ้นจากสมมุติพ้นจากสมมุติที่ให้เล่าร้อนที่ว่าราคคินาโทสาคินาโมหคิน า, า, ค, นาคือมันรวมมันรวม สิ่งต่างๆอายตนะหรือสมมุตริรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์ห้าสมมุติขันธ์ห้าเนี่ยมันออกมาเป็นเป็นสมมุติโลภโกรดหลงเนี่ยที่จะให้พ้นจากสมมุติเป็นวิมุติเรียกว่าอาศัยศีล ส, สมาธิปัญญาเรียกว่าธรรมเป็นมรรคปฏิปทา เพราะท่านจึงต้องเจริญสตินี่ให้มากคือเจริญศีลสติให้สติมันต่อเนื่องต่อเนื่องทมของผู้สูงอายุผู้มีอายุมากแล้วไม่มีการมีงานอะไรที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยต้องมาเจริญสตินี่แหละให้ความระลึกรู้มันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันโดยเอาอารมณ์ แห่งความดีหรื อ, อหรือเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอารมณ์มาเป็นเครื่องระลึกจึงว่าพุโทโธพุธโทโธหรือทำโมสังโฆรละลึกร ะ, ะลึกท่านมันต่อเนื่องจนมันไม่มีขณะว่างให้ให้ความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นหรือรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกนะ อ, อ, อ, อ, อย่างว่าระลึกต่อเนื่อง นี่ก็จะเป็นก็จะเกิดเป็นสมาธิเกิดเป็นเมตตาเกิดเป็นปัญญาเกิดขึ้นนี่ใจจะสบายนี่เพราะได้เพราะได้น้ำรำเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเพราะน้รทมนี่ดับไฟคือความโลภโกรธหลง เ, เหลือแต่ความรู้ความรู้แจ้งความรู้ตัวรู้ตื่นเป็นสัมปชัญญะแล้วก็จะเกิดเป็นเมตตา เมตตาปาถนาให้เป็นสุขนี่แหละเมตตานี่ก็รวมอยู่ในสติสมาธิปัญญาเมตตาเจโตวิมุตติยาเมื่อมันเป็นเมตตาเจโตพ้นจากสมมตินว่าวิมุตติพ้นจากสมมติจะไม่มีความร้อนไม่มีความวุ่นวายสบายมีแต่ลักษณะอาการเมตตาในครอบ โลกสามครอบลงมาตั้งแต่พรมโลกเทวโลกมนุษย์โลกท่านว่าเมตตาคุ้มโลคสามคือมันคุ้มอยู่ที่ใจของเราเสก่อนก็คุ้มอยู่ที่ใจใจของเรามันเป็นธรรมชาติที่กว้างขวางความรู้นี่จึงว่ามีขอบเขตอยู่แค่คุ้มโรค พมโลกเทวโลกมนุษย์โลกมนุษย์โลกก็รวมอยู่ในอบายโลกทั้งหมดนันคอว่ากามาพบรูปพบอรู ป, ร ป, รปพบเมตตาคอบพบทั้งสามสบายมมีกิริยาไม่มีอาการที่จะว่ามีความทุกข์ความร้อนอะไรภายในจิตใจไม่มีแม้แต่ขณะจิตหนึ่ง สำหรับผู้เจริญเมตตาคือปฏิบัติธรรมนี่แหละเอาเอาสติเจริญสติคือเจริญศีลให้ต่อเนื่องกันแล้วจะเป็นเมตตาปราถนาให้เป็นสุขดับไฟความร้อนที่เกิดขึ้นจากราคะขินาโทสะคินาโมหคินาคือเกิดจากความหลงอันเดียว ควาหลงความไม่มีสติไม่มีปัญญารอบรู้สอนใจตนเองให้ให้รู้มันถ้าจะพูดให้ละเอียดก็เหมือนกับว่าไม่มีสติปัญญาอวดสิ่งโกโปกที่จะเกิดขึ้นให้เป็นเชื้อโรคทั้งหลาย <c oughs> แล้วป ล, ปล่อยไว้ปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมปล่อยกายวาย่าใจใจ ปล่อยสัญญาสังขารวิญญาณให้อยู่ตามบุญตามกรรมมันจึงเกิดเป็นเชื้อโรคจึงเกิดเป็นโรคแห่งความร้อนคือราคะขินาโทสักินาโมหะคินาที่มันจึงให้โทษแก่ใจทั้งๆทงี่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้ร้อนผู้อะไรเลยแต่ว่ากระแสของโรคทั้งหลายเนี่ย มันก็มาเบียดเบียนในในร่างกายของเรานี่แหละทําให้ร่างกายไม่สบายร่างกายไม่สบายจิตใจผู้รับผิดชอบอยู่กับกายมันก็มีอาการที่ว่าให้กระเทือนไปด้วยอให้เห็นผิดเข้าใจผิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นทุกข์ไปด้วยนี่เพราะท่านทำเครื่องรักษาความร้อนทั้งหลายไม่มีอย่างอื่น มีสติสมาธิปัญญาท่านั้นศีล ส, สมาธิปัญญาท่านั่นเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้มีอายุอของผู้ใหญ่คือผู้ที่รู้เหตุรู้ผลแล้วนี่จะต้องเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาให้มากให้มากให้มากจนแจ่แจ้งสมบูรณ์บริบูรณ์ ในจิตใจแล้วเราจะได้รับความสุขทั้งทางกายและทางจิตใจด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้กระทำบำเพ็ญมาทุกท่านทุกคนข อ, อ, อจองรวมเป็นพร ะ, ระเป็นกำลังแห่งบุญกุศลคุณธรรมคือสติสมาธิปัญญาโน้นนำดวงจิตดวงใจให้มีความเจริญในธรรมแล้วให้ประสบความสุขกายสุขใจ ปาธนาสิ่งใดเป็นไปโดยชอบว่ากอบในธรรมแล้วจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุเมื่อจงทุกท่านทุกคนเธอ